บทที่170ถ้าจะไม่ทันขาดเสียงกระซิบของแงสทรายเงาของใครอีกคนหนึ่งก็โผล่พ้นเหลี่ยมบังของคูหาหินออกมาในแนวตรงกับปากทางออกด้านนั้นแล้วฉายไฟสว่างจ้าเข้ามายังร่างของบุคคลทั้งสามซึ่งยืนรวมกลุ่มกันอยู่ในขณะ น, นี้พอเห็นชัดก็ดับไฟฉายแล้วเคลื่อนเข้ามาสมทบโดยเร็วน้อยลุกขึ้นมาเดินได้แล้วเหรอเนี่ยเปไงบ้าง เสียงตื่นตื่นแสดงความดีใจนั้นร้องถามมาโดยไม่มีวี่แววว่าจะสงสัยหรือแคลงใจอะไรนอกเหนือไปกว่านั้นเพราะเห็นน้องสาวยืนอยู่พร้อมหน้าระหว่างมักคุเทศนำทางและองค์ครักษพิเศษดารินยังไม่อาจตอบความพี่ชายได้ทันทีทันใดนั้นเพราะมัวแต่ตกประมาอยู่รับพินเองก็งันอึ้งไปช่วงจังหวะที่ไม่ทันจะถูกทิ้งให้เป็นช่องว่างเพื่อให้เกิดความกังขาใดาๆนี่เองเสียงทุ้มของแง่ทาย ก็ตอบมาแทนคนทั้งสองว่านายหญิงหายดีแล้วครับในายใหญ่นายหญิงตื่นก่อนทุกคนและปลุกแง้ท า, ายกับผู้กองเพื่อจะลองเดินให้ดูครับคู่รักทั้งสองรอบผ่อนลมหายใจออกมาได้อย่างโล่งอกระหนักได้ดีถึงการช่วยเหลือคลี่คลายสถานการณ์ของเจ้าคนที่ครั้งแรกคิดว่าผู่แท้เข้ามาเพราะความเสือกกระโหลกเมื่อ น, นั้นเองดารินก็ไว้ตัวพอจะปลอบสติขึ้นมาได้ ออกก้าวเดินให้พี่ชายดูพร้อมกับบอกว่าน้อยเดินได้คล่องแล้วล่ะค่ะพี่ใหญ่เช็ดเทาหัวร่อราออกมาได้ตรงเข้ามาโอกกอดน้องสาวไว้กระชับแน่นวิเศษจริงๆให้มันได้ยิงนี้สิพวกเราจะเกิดการอับปางขึ้นครั้งใดก็มีมือดีของคนใดคนหนึ่งเข้ามาช่วยแก้ไขไว้ได้เสมอพี่ยันอนเป็นห่วงอยู่ตลอดทั้งคืนนะเนี่ย ไม่แน่ใจว่าเช้าวันนี้น้อยจะหายเดินได้จริงหรือเปล่าแล้วท่านหัวหน้าคณะก็หันมายิ้มกับพลานใหญ่เราไปกันได้แน่แล้ววันนี้หรื อ, อยังไงครับผมเชื่อว่าเราจะต้องถึงเนินพระจันทร์ก่อนค่าวันนี้แน่นอนครับเชษฐาสูตรลมหายใจลึกสีหน้ายิ้มย่องพองใสยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูอาการเต็มไปด้วยความปราดเปรียวว่องไวเพียบพร้อมไปด้วยกาลังใจ กึ่บหกโมงเช้าแล้วสินะเนี่ยเขาพูดเหลือตาออกไปเบื้องนอกซึ่งเริ่มจะเลเห็นบรรยากาศเป็นสีขาวรางๆเหมือนเคลือบด้วยมุกแต่ฝอยหิมะยังพรมหนักไม่ขาดระยะเมื่อคืนนี้เราพักผ่อนกันได้เต็มที่ทีเดียวแต่สำคัญว่าวันนี้หิมะจะหยุดตกเมื่อไหร่เท่านั้นสังเกตดูท่ามันจะพรมเรื่อยไปทั้งวันนะถ้าเป็นแบบนั้นเราจะเดินกันลาบากไม่รู้จะเริ่มต้นกันเวลาไหนดี ประโยคหลังเป็นเสียงหารืออย่างความเห็นผมคิดว่าปลุกพวกเราทุกคนขึ้นเดี๋ยวนี้เถอะครับกว่าจะจัดเตรียมตัวเสร็จก็ราวเจ็ดโมงพอดีเราจะออกเดินกันในเวลานั้นเลยครับจะบุกไปบนพื้นที่คลุมหนาด้วยหิมะซ้ำข้างบนก็ยังโปรยลงมาแบบนี้น่ะเหรอคุณก็เป็นโอกาสสุดท้ายของเราแล้วล่ะครับถ้ามันยังไม่สางลงก็ต้องออกเดินกันทั้งแบบนี้ก่อนเดินทาง ทุกคนจะได้รับการแจกยาร้อนจากบุญคำเพื่อต่อต้านกับความหนาวเย็นผมเชื่อนะครับว่าวันนี้เราจะเดินผ่านกันไปในบรรยากาศที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์องศาได้อย่างสบายอดีตท่านทูตทหารบุกเพิ่งจะนึกขึ้นมาได้ตาเป็นประกายเออจริงด้วยสิหมาผมลืมนึกถึงยาของบุญคําจะสนิทจ้ะความจริงผมเองก็เคยใช้ยามาก่อนแล้วก่อนที่ออกเดินทางกลางคืนกระแง่ทาย เพื่อตามหาคุณในคราวนั้นมันได้ผลดีมากหละเจอเขาอึกเดียวเท่านั้นไม่รู้สึกหนาวเลยสภาพของภูมิประเทศในเขตนั้นแม้จะไม่ถึงหิมะตกแต่มันก็หนาวเย็นไม่ใช่นเล่นอยู่เหมือนกันสองคนกันแง้ทายนี่เดินกันสบายเลยในคืนนั้นอ่ะวัตถุบุญคําจะมียาดีชนิดนี้พอแจกจ่ายก็พวกเราทั้งหมดเลยผมจะลองหารือกัดูครับแต่เชื่อว่าอย่างน้อยที่สุด ก็ต้องพอสำหรับพวกเราทุกคนเฉพาะวันนี้นอกเหนือไปกว่านั้นเป็นปัญหาเฉพาะหน้าค่อยหาทางแก้กันต่อไปดีกว่าครับชัยันมาเรียและพรานพื้นเมืองทั้งหมดถูกปลุกขึ้นมาในทันทีนั้นสิ่งแรกที่ทุกคนเห็นก็คือคนเจ็บอันน่าหนักใจที่สุดของคณะบัดนี้เดินปลอทำามาพวกนั้นหายงวงเงียเป็นปริดทิ้งด้วยความตื่นเต้นยินดี อย่าของไอ้แงสายมันสักจริงแต่ถ้าบุญคำร้องอย่างลิงโลดถึงกับกระโดดเข้ากอดเจ้ากระเรียงพเนจรไว้แน่นพวกพรานเหล่านั้นก็เข้ามาแสดงความยินดีกับคนป่วยร้องทักสอบถามอาการกันเซงแซ่บรรยากาศของคณะทั้งหมดเต็มไปได้วยความชื่นบานและเปลี่ยมไปได้วยความหวังอันแจ่มใส ย, ยิ่งชายันนั้นกล่าเข้ามารวบกอดเพื่อนสาวไว้เต็มอ้อมยกหลอนชูขึ้นสูงจนเท้าทั้งสองลอยจากพื้น แล้วเวียงหมุนไปรอบๆแสดงความดีใจสุดขีดสวดมาเรียเข้ามาจูบที่แก้มสิ้นเคราะห์ไปทีน้อยฉันน่ะสวดมนต์ภาวานาให้เธอทั้งคืนที่ผ่านมาใช่นะฉันเป็นหนี้บุญคุณของทุกคนนะและที่มากที่สุดก็คือเจ้าองค์ครกภ์พิเศษของฉันนี่เองคนเจ็บที่เพิ่งจะหายเป็นปกติประกาศด้วยสีหน้าอันชื่นบานผ่องใสสายตาที่แลไปยังแง่ทราย เต็มไปด้วยประกายชื่นชมลึกซึ้งเกินกว่าความหมายโดยถ้อยคำประโยคสั้นๆทุกคนเริ่มเตรียมตัวพร้อมโดยคำสั่งของเจตฐาและบุญคำก็ถูกเรียกตัวเข้ามาอยู่ต่อหน้าคณะเจ้านายทุกคนนี่เรากำลังจะออกเดินทางกันภายในไม่เกินครึ่งชั่วโมงนี้โดยไม่คำนึงว่าหิมะจะหยุดตกหรือไม่และอากาศจะเลวสักแค่ไหนท่านหัวหน้าคณะบอกกับมือขวาของกระพิน มันถึงคราวจาเป็นแล้วล่ะที่ทุกคนจะต้องพึ่งยาร้อนของบุญคำไม่งั้นก็คงแข็งตายกลางทางบุญคำพอจะมีแจกจ่ายพวกเราครบหมดทุกคนไหมโดยไม่มีอาการลังเลหรือขบคิ ด, ด้เสียเวลาเลยตาพรานเท่าเห็นเขาอึมครึมหัวรอเห็นเหงือคล้ำเขียวสบายมากนายใหญ่บุญคำน่ะมียาแจกให้ทุกคนกินได้ไม่น้อยกว่าสมวันของการเดินผ่านไปบนภูเขาน้าแข็งแบบนี้ รับรองว่าไม่ต้องมีเสื้อผ้าเดินตัวเปล่าทงๆก็ยังได้เวลากลางคืนก็ไม่ต้องอาศัยไฟอาศัยผ้าห่มไม่เสียเวลานอนแอนพุงพึ่งน้ำแข็งกันได้เลยถ้าอย่างนั้นก็ลอยลําละอุปสรรคข้อนี้เป็นอันผ่านอดีตนายพันโททูตาหารบกุกหันมายิ้มย่องพองไสกับฝ่ายเขาทุกคนแล้วพูดบนหัวเราะกับฝ่ายบุญคาต่อไปว่าสี่ ไม่ต้องให้ถึงกระเดินตัวเปล่าทงทงอย่าบุญคำว่ารอกเอาแค่ทุกคนพอต่อสู้กับความหนาวเย็นไม่ให้แข็งตายซะก่อนเท่านั้นก็นับว่าวิเศษสุดแล้วถ้างั้นก็จัดการได้เลยบุญคำรับคำอย่างกระวีกระวาดโดดถลุงไปที่ยามส่วนตัวของแกดำเนินการผสมยาร้อนตำรับไฟประลัยกันผสมลงในน้าทันทีอือใจใหญ่ก็เรียกพวกพรานพื้นเมืองทั้งหลายเข้ามารินแจกใจ่ายให้ก่อน โดยแบ่งให้ดื่มคนละประมาณ1ิบซีซีจนครบหมดทุกคนและจึงนำมาแจกให้คณะเจ้านายเป็นอันดับต่อไปยกเว้นมารยาคนเดียวซึ่งยืนกระพริบตาปริ ป, ปรปิสีหน้าไม่สบายนักหล่อนกำลังตกอยู่ในข้อพิจารณาวินิจฉัยของทุกคนว่าสมควรจะให้ดื่มยาของบุญคำเป็นภูมิคุ้มกันความหนาวเย็นระดับต่ากว่าจุดน้าแข็งด้วยหรือไม่เสื้อผ้าสาหรับการหนาวของแม่สาว อย่างดีที่สุดก็คือแจ็คเก็ตหนังด้านในบุนวมเพียงตัวเดียวส่วนกางเกงก็มีเพียงกางเกงเดินป่าตามสภาพปกติที่ใช้ในเขตโซนร้อนแม้ชายันจะอุทิศแจ็คเก็ตฟิลตัวใหญ่ของเขาให้ใช้คลุมอีกตัวก็คงไม่ช่วยอะไรได้มากนักในภูมิประเทศที่แวดล้อมอยู่เช่นนี้แต่ธรรมชาติของเลือดเมืองหนาวอย่างหลอนก็ย่อมจะมีภูมิต้านทานได้ดีกว่าคนอื่นส่วนจะดีไปได้สักแค่ไหนนั้นก็ยังไม่อาจบอกได้ ทำกลางหิมะที่พรมหนักจะทำยังไงกันดีล่ะเนี่ยสำหรับเมยเชษถาเปรยถามความเห็นทุกคนขึ้นอย่างตัดสินใจไม่ถูกระพินอึ้งเขาเองก็ตัดสินใจไม่ถูกเหมือนกันชยันสีหน้าบอกความกังวลหนักเมื่อเหลือไปยังภูมิประเทศด้านนอกซึ่งยังไม่มีวี่แววเลยว่าสะเก็ดน้าแข็งฝอยเหล่านั้นจะสางซาลง มันหล่นลงมาพอกทับถมอยู่บนพื้นหินหนาอย่างน้อยก็เป็นศอกเป็นห่วงอยู่ว่าแม่วานใจของเขาจะเดินฝ่าไปได้ตลอดรอดฟังแล้วเหรอดารินเองก็หนักใจและไม่อาจให้ความเห็นอย่างใดไ ด, ได้ทั้งสิน้นเพราะฤทธิ์เดชประคุณในตัวยาของบุญคำเป็นสิ่งที่หล่อนผู้แม่จะเป็นแพทย์ก็ไม่เคยมีความรู้มาก่อนเอางี้ลองให้เดินไปตามปกติอย่างนี้ก่อนในที่สุด อดีตนายทหารปืนใหญ่ผู้มีฐานะเป็นสามีเต็มตัวรวมทั้งเป็นบิดาของเด็กในท้องตัดสินใจพูดแต่ถ้าเห็นจะไม่ไหวจริงๆค่อยหาทางแก้ไขกันทีหลังนี่อะไรก็ช่างแต่นะอย่าให้กลายเป็นว่าพวกเราหนะ่ะห่วงลูกจะจะลืมคำหนึ่งถึงแม่มันจะไม่เข้าเรื่องเชษฐาพูดเคร่งขรึมทำมาทุกคนเงียบงันไปอีก ดารินหันไปทางเพื่อนสาวต่างผิวและอบโอบมือกอดไว้ยิ้มให้ที่รักเธอรู้สึกยังไงบ้างเนี่ยคิดว่าพอจะเดินฝ่าหิมะไปได้ไหมมาเรียยิ้มเนื่อยเนืยดูน่าสงสารฉันก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะน้อยฉันเคยอยู่บนหิมะตลอดทั้งวันแต่มีเสื้อผ้าเครื่องกันหนาวที่เหมาะสมกว่านี้มากก็ลองดูก่อนอย่างชยายันว่ากันแล้วกัน พรถึงยังไงฉันก็พอจะคุ้นเคยกับความเย็นมากกว่าความร้อนทุกคนช่วยตัวเองให้ปลอดภัยไว้ก่อนก็แล้วกันสำหรับฉันไม่ต้องห่วงลอกฉันเข้าใจความรู้สึกของทุกคนดีทุกคนกลัวว่าถ้าฉันกินยาของตะบุญคำฉันอาจแทงได้ขอบคุณนะที่มีความเป็นห่วงฉันในข้อนี้ฉันก็เคยบอกไว้แล้วว่าต่อไปนี้ให้ฉันตายซะดีกว่าที่จะให้ฉันแทงลูกเมย แต่ถ้าจะต้องให้เลือกเอาระหว่างสองสิ่งนี้แล้วก็ฉันว่าเธอแทงลูกมันยังดีกว่าที่เธอจะมีอันตรายถึงชีวิตนะหมอดารินบอกโดยเร็วด้วยเสียงอันหนักแน่นมั่นคงแล้วพยักหน้าเรียกระพินกับตาเท่าบุญคำให้เดินเลี่ยงออกมาจากกลุ่มเพื่อจะพูดกันโดยเฉพาะชนิดที่ไม่ต้องการให้เชษฐาชั ย, ยันหรือมาเรียได้ยินนี่สามคนโปรดรอฉันอยู่ที่นี่ก่อนนะฉันมีเรื่องจะหาเรืออะไรทั้งนี้หน่อย หล่อนร้องสั่งเมื่อเห็นชัยันขยับจะเดินตามมาด้วยแล้วหันมาทางจอมพรานรัพินฉันสังเกตดูนะบุญคำผสมยาของแกขนาดนี้แจ ก, กให้พวกเราดื่มปริมาณราว1 0ซีซีต่อหนึ่งคนนี่ก็คงจะเป็นหลักเกณฑ์จากการคำนวณของแกเองกับสถานการณ์ที่พวกเราทุกคนกำลังจะเผชิญตื่นลึกหนาบางทั้งหลายเกี่ยวกับยาขนาดนี้บุญคำรู้อยู่คนเดียวเพราะเป็นเจ้าของตำรับกริยา เท่าที่เราคาดคะเนดได้จากคำพูดของแกก็คือจะเพิ่มอุณหภูมิให้กักร่างกายอย่างสูงจากระบบภายในโดยกระแสโลหิตออกมาจนกระทั่งผิวหนังซึ่งจะทำให้ต่อต้านกับความหนาวเย็นได้เจ้าของตัวยาเองก็บอกไว้ว่าตามปกติแล้วจะใช้เป็นยาสำหรับขับเลือดอย่างแรงด้วยถ้าผู้หญิงตั้งครรภ์ก็จะทาให้แท้งอย่างนั้นใช่ไหมครับแกบอกไว้อย่างนั้นครับไอ้ตามปกติแล้วน่ะ ตัวยาที่จะทําให้แท้งได้นะ่ยจะต้องมีอิทธิพลในด้านทําให้มดลูกเกิดอาการเกรงหรือบีบตัวอย่างแรงเพื่อขัดหรือสํารอดออกจุดปฏิสนธิที่เกาะอยู่กับผนังมดลูกออกมาอย่างเช่นตัวยาสังเคราะห์ประเภทเออร ก, กอตคุณพอจะรู้บ้างไหมว่ายาขนาดนี้ของบุญคํามีตัวยาประเภทเออร ก, กอตอยู่ด้วยหรือเปล่าระพินไพร์วันมีสีหน้าปั้นยากที่สุดยกมือขึ้นกุมขมับครางมาว่า ถูคุณหมอครับนายรพินกับนายบุญคำมันจะมีปัญญารู้เรื่องภาษาของหมอได้ยังไงล่ะครับถึงยังไงก็ไม่มีทางจะพูดกันได้เข้าใจหรอกครับดารินถอนใจเบาๆ <c oughs> จริงสินะลำบากใจเหลือเกินงั้นเอางี้ดีกว่าลองถามแกดูซิว่าถ้าเกิดความจำเป็นขึ้นมาจริงๆเมทนหนาวต่อไปไม่ไหวแกจะช่วยแก้ไขโดยไม่ต้องให้ถึงกระแทงลูกได้ไหม แานใหญ่หันไปซักซ้ายบุญคำซุบซิบกันอยู่ครู่หนึ่งก็หันมาบอกว่าเจ้าของยาก็ยังไม่กล้ารับรองเหมือนกันล่ะครับแต่ให้ผมตัดสินปัญหาข้อนี้ง่ายๆดีกว่าครับคือพวกเราะดื่มกันประมาณ10ซีซีถ้าจำเป็นจะต้องให้ยาชนิดนี้กับเมื่อไหร่เราก็ให้โดยปริมาณที่น้อยที่สุดแต่เพียงแค่ไม่ให้แข็งตายเท่านั้นอาจจะเป็นเพียง2หรือ3ซมซีซีจะแทงหรือไม่แท้งมันก็สุดตะบุญตะกำอระครับ เพราะถึงยังไงเราก็ต้องช่วยแม่ไว้ก่อนลูกแน่นอนอ่ะอะตกลงหมอดารินพยักหน้าเมมริมผีปัดเป็นอันว่าวางแผนกันซะล่วงหน้าให้รู้ก่อนเป็นดีที่สุดว่าจะเอายังไงเมื่อถึงเวลานั้นฮชุกแล้วคลุขกลักกันเหลือประมาณแล้วหล่อนก็เดินกลับเข้าไปยังพักพวกทุกคนที่รอฟังข่าวอยู่บอกว่าอยงนั้นก็เป็นอันว่าเอาอย่างชา ย, ยันว่าแล้วกันนะ เราจะลองให้เมย์เดินทางฝ่าหิมะไปโดยไม่ต้องกินยาของบุญคํน่ะแต่ว่าถ้าเห็นไม่ไหวจริงๆก็จะให้ทีละน้อยเอาแค่พอประทับประทังแล้วกันร่างก็หันมาจับแขนเพื่อนสาวต่างผิวไว้ปลอบโยนว่าอดทนหน่อยนะเมรู้สึกเห็นใจและสงสารเธอเหลือเกินน่ะที่ครั้งนี้เธอจะต้องลำบากมากกว่าใครอะ่ะไม่เป็นไรน้อยขอให้เธอแข็งแรงเดินได้เป็นปกติเท่านั้นสาหรับฉันอย่าห่วงเลย มาเรียฮอฟมันเข้มแข็งเสมอประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงต่อมาทั้งคณะสิบสองคนก็พร้อมที่จะตะลุยฝาเข้าไปในถ้ำกลางละอองหิมะระยะเวลานี้เองที่ฝ่ายนายจ้างเริ่มจะรู้สึกถึงสรรพคุณยาของบุญคำซึ่งออกฤทธิ์ขึ้นเป็นลำดับอย่างรวดเร็วอุณหภูมิในร่างกายและสายเลือดซึ่งแต่เดิมแทบจะจับเป็นก้อนด้วยความหนาวเย็นบัดนี้เริ่มแปลมาเป็นความอบอุ่นกระปรี้กระเพ่า เลือดลมแล่นพล่านไปทั่วทุกขุมขนจนกระทั่งเหงื่อผุดซึมเหมือนมีเครื่องทําความร้อนอบอยู่ภายในความเย็นของหิมะและสายลมปราศจากความหมายโดยสิ้นเชิงแทนที่จะเป็นความทรมานกลับกลายมาเป็นความสดชื่นเย็นสบายอย่างประหลาดอย่าว่าแต่จะออกเดินฝ่าไปในขณะนี้เลยต่อให้ลงนอนหมกอยู่ในกองหิมะทุกคนก็มีความรู้สึกบอกตอนเองได้ว่ามันไม่เหลือบา ก, กว่าแรงเลยจนนิดเดียว ให้มันเหมือนกันอยู่ในห้องแอร์คอนดิชันกลางเดือนเมษายนที่กรุงเทพหรอวะชยันร้องออกมาแล้วโจรเข้าไปจับมือตะเท่าบุญคำเจ้าของตำรับเขย่าโดยแรงเกงมากบุญคำนี่ในบรรดามือดีของพรานเราทั้งหลายนะ่ะฉันมาบุญคำไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าใครเลยนะตะเ่าจิ้มน้อยยิ้มใหญ่ทีใครก็ทีใครสินายทหารบุญคาก็สิทธ์มีครูเหมือนกันนี่นาะ ใช่ว่าไอ้แงซายไอ้ซางปาหรือไอ้เคยยิงจะแน่อยู่คนเดียวเมื่อไรถึงคราวข้าวก็ต้องพึ่งบุญคำเหมือนกันฮ่าๆไปกันเถอะนายทหารต่อไปนี่ให้อีกร้อยหมือนภูเขานำแข็งไม่ต้องกลัวหนาวอีกแล้วแต่ถ้าใครร้อนจนตับแตกหรือใครร้อนจนแทงลูกบุญคาไม่ขอรับรองนะเฮ้ยร้อนจนตับแตกนั่นไม่เป็นไรหรอก แถ้าร้อนจนแทงลูกกับฉันจะบงังคับไปบุญคำทำลูกให้แกฉันใหม่โอ้ยตายไปเลจับใครทหารอย่าล้อเล่นสิบุญคำทำลูกไม่เป็นนะไม่เก่งมันนายทหารแล้วบุญคำก็ไม่รู้จะไปทำลูกกับใครได้ระพินไพรวันตรวจสอบความเรียบร้อยของขบวนและสอบความรู้สึกของทุกคนในขณะนี้ม่เห็นว่าตัวยาออกกทิ สร้างภูมิคุ้มกันความหนาวในร่างกายของคณะทั้งหมดพร้อมที่จ ะ, ะเผชิญกับหิมะได้แล้วเขาก็สั่งให้เคลื่อนทันทีทั้งหมดผลักออกจากคูหาที่พักเดินยำลุยไปบนกองหิมะที่แลขาวโพลนไปทั่วทุกคนทุกแหง่งในขณะที่ท้องฟ้าเริ่มจะปรากฏแสงขาวร่างๆขึ้นทุกขณะบ่ายหน้าขึ้นเนื้อเป็นเส้นดิ่งตรงเพียงชั่วไม่นานนักที่ต่างออกมาพ้นนอกเพิงพัก และเริ่มเดินฝ่าไปในสายละอองซึ่งยังโปรยปลายอยู่นั้นร่างกายของทุกคนก็ถูกพรมด้วยสั ญ, ญลักษณ์แห่งความหนาวตามสีสักแผ่นหลังและเสื้อผ้าจับเป็นปุยไปด้วยหิมะทั่วไปหมดจนต้องคอยสลัดออกตลอดเวลาอาวุธปืนประจำตัวทุกกระบอกถูกสะพายเอาลำกล้องลงป้องกันไม่ให้สะเก็ดฝอยของน้ำแข็งเหล่านั้นเข้าไปในปากกระบอกไม่มีอะไรจะต้องห่วงเลยสำหรับดาริงวราฤทธิ์ ในการออกเดินทางเช้านี้หลอนปราดเปรียวแค้วคล่องเหมือนเดิมไม่มีสัญญาณใดๆส่อให้เห็นว่าก่อนหน้านี้เพียงวันเดียวหล่อนจะตกอยู่ในฐานะบุคคลทุพพลภาพจนแทบกระดิกกายไม่ได้ทุกคนเดินฝ่าละอองหิมะไปได้อย่างสบายที่สุดเพราะอำนาจยาของบุญคำยกเว้นก็แต่มาเรียเพียงคนเดียวหล่อนห่อตัวอยู่ในเสื้อคลุมหลายชั้นซึ่งพักพวกช่วยกันบริจาคให้ เดินกายสันสิวหน้าซีดขาวราวกัะ ส, สีของหิมะที่แวดล้อมอยู่รอบกายในขณะ น, นี้โดยมีชัยยันเป็นพี่เลี้ยงคอยประคับประคองอยู่ทุกระยะด้วยความเป็นห่วงแม่สาวไม่ได้ปริปากอุทธรใดๆเลยทั้งสิ้นคงกัดฟันเดินรุดหน้าไปด้วยกำลังใจอันกล้าแข็งเด็ดเดียวสีหน้าและแววตาเท่านั้นที่จะบอกให้ทราบชัดถึงภาวะอันสุดแสนทรมานในยามนี้ มือที่ซ่อนอยู่ในถุงหนังของหลอนกำรรแน่นแทบจะเหยียดแบไม่ออกสุกแนบกอดไว้ในระหว่างอกเลือดในกายทุกหยดเหมือนจะจับเป็นก้อนแข็งและผิวกายเย็นเฉียบพอๆกับฝอยหิมะที่พรมเกาะอยู่ในขณะนี้หนทางโดยการรุดหน้าของมักคุเทศผู้ยิ่งยงทุกคนเริ่มจะรู้สึกได้ว่าทอดลงไปสู่เบื้องต่ำทุกขณะจากยอดเขาที่สูงขึ้น ลดระดับไปทีละลูกในระหว่างผนังทิวเขาสูงใหญ่เยี่ยมเมกที่บีบขนาบไว้ทั้งสองด้านสองชั่วโมงแรกผ่านไปโดยไม่มีการหยุดเลยร่างของระพินไพรวันแลเห็นเป็นจุดเด่นท่ามกลางพื้นหิมะขาวสล่างก้าวนำมูอยู่เบื้องหน้าเว้นห่างกันในช่วงระยะตะโกนได้ยินถัดมาก็เป็นกลุ่มของนายจ้างที่จับมูร่วมขบวนไปกฝ่ายหาหาม เชิากดารินไม่ได้เร่งฝีเท้าที่จะติดตามเขาไปในระยะกระชันชิดแต่คอยเดินรวมหมู่เกาะกลุ่มเพราะเป็นห่วงมาเรียอยู่ต่างคอยสังเกตและสอบถามอาการอยู่ตลอดเวลาหลายต่อหลายครั้งที่ชัยันสุดที่จะทนทานดูความน่าสมเพชของมาเรียได้เมื่อเห็นหลอนกายสั่นเป็นลูกนกหน้าขาวซี่จนปราศจากสีเลือดก็ต้องการให้บุญคํายื่นมือเข้าช่วยเหลือแต่มาเรียก็ยืนกรานปฏิเสธอย่างมั่นคง ฉันจะต้องผ่านมันไปให้ได้ไม่ต้องกังวลเนเชยันเพียงแต่กอดฉันไว้แน่นเท่านั้นแหละแต่คุณเกือบจะแข็งแล้วนะเมไ ม, ไม่รอกฉันทนได้แม่มสาวกัดฟันตอบอย่างเด็ดเดี่ยวทำไมทำไมผมถึงต้องปล่อยเมียของผมทรมานถึงเพียงนี้ไอ้ผมจะทนไม่ไหวแล้วนะเชยันครางออกมามาเรียฝืนยิ้มให้ ในตาสีดอกผักตบคู่นั้นเป็นประกายวาววับชยันลูกของเราลูกของเราหล่อนกระซิกฉันไม่ต้องการสูญเสียเขาไปถ้าเขามีบุญที่จะเกิดมาเขาต้องช่วยแม่ของเขาได้นะชะยันน้ำตาคลอบัดนี้เขาเพิ่งประจักษ์แจ้งในน้าใจเมียมแหม่มคนนี้ของเขาอย่างทองแท้เป็นครั้งแรก เขาไม่ต้องการผู้หญิงคนไหนอีกแล้วในโลกนี้นอกจากหล่อนคนเดียวเท่านั้นทั้งคู่เดินโอบประคองกันไปอย่างกระปกกระเปรียยังหนทางสายทรมานโดยมองไม่เห็นจุดหมายปลายทางนั้นหล่อนเอน็นศีรษะแนบกระซอกลาของเขาดวงตาปิดสนิทลงอย่างอิดโรยฝากอนาคตทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในอ้อมแขนของบุคคลที่เป็นที่รัก ขาทั้งสองข้างเริ่มมีอาการเกรงเหมือนเกิดตะคริวแทบจะ ก, ก้าวไม่ออกแต่ถึงกระนั้นแม่สาวผมทองผู้ใจเด็ดก็ยันแข็งใจก้าวต่อไปอาศัยร่างอันแข็งแรงและอบอุ่นเป็นที่คำจุนลงใจแน่วแน่ ว, ว่าถ้าแม้วาระสุดท้ายของชีวิตจะมาถึงหลนก็จะขอขาดใจตายไปในอ้อมแขนของเขาโดยไม่ยอมทำลายความตั้งใจเดิมเป็นอันขาด เชิดถาและดารินผู้เดินอยู่ใกล้และคอยสังเกตอากับกิริยาอยู่ทุกระยะก็แทบจะทนไม่ได้เช่นกันเชยันหยุดเถอะเมยน่ยเห็นถ้าจะไม่ไหวซะแล้วนะเชตดถาบอกเร็วปรือเมื่อเห็นทั้งคู่ที่กอดประคองกันเดินอยู่เริ่มจะส่วนเสียเสียหลักดารินตะโกนเรียกบุญคําในทันทีนั้นกระเท้าผู้แบกของคู่อยู่กับจันก็ลากคานหามริ้วเข้ามาสัางปาอีกคนหนึ่ง ซึ่งตลอดเวลาสายตาไ ม, ม่ได้ห่างไปจากนายสาวก็ถลันทรวดเข้ามาด้วยบอกทุกคนให้ถอยยกไปมาเรียกระซิบกับชา ย, ยันทั้งที่ดวงตาปิดสนิทบอกเขาให้เขาล่วงหน้าไปก่อนไม่ไม่ต้องพวงอะไรกับชั้นทั้งสิน้นขอเพียงอย่างเดียวคุณกอดฉันไว้พาฉันเดินไปอย่างนี้เราเดินไปด้วยกันนะ เดินไปสองคนชัยยันฉันจะไม่ยอมกินยาของบุญคำหรือรับความช่วยเหลือจากใครอื่นทั้งสิ้นนอกจากสามีของฉันเพียงคนเดียวเท่านั้นชัยยันอนันตไกมีความรู้สึกที่ไม่อาจบรรยายได้ถูกในยามนี้เขากัดกรามแน่นพยุงกอดมาเรียวไว้อย่างกระชับปลดไรเพื่อนประจําตัวของหลอนซึ่งบัดนี้กลายสภาพเป็นภาระหน่วงหนักออกจากไหล แล้วโยนไปให้สางปลาช่วยถือแทนสิ่งเจ้าธาดชาวตองสู่ของมาเรียก็ดูจะเข้าใจถึงสถานการณ์ของนายสาวเป็นอย่างดีรีบรับไปโดยเร็วเชดขาดารินและบุญคำซึ่งรุมล้อมเข้ามาในขณะนี้เพื่อการช่วยเหลือถูกขาโมกมือให้ถอยออกไปพร้อมกับแข็งใจบอกว่าไม่เป็นไรครับฉันจะดูแลเมเองไออย่าให้ต้องเสียเวลาเลยคณะทั้งหมด บัดนี้เริ่มจะรู้สึกตัวหันมาให้ความห่วงกังวลต่อสถานการณ์อันคับขันของมาเรียกันทุกคนและเดินรวมหมู่แวดล้อมมาใกล้ๆโดยไม่กล้าทิ้งช่วงห่างออกไปแบบตัวใครตัวมันเหมือนเช่นในเวลาเดินทางปกติจะมีก็แต่มักคุเทศเลือดเย็นเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ตลอดเวลาดูเหมือนจะไม่ได้หันมาให้ความสนใจใดๆต่อหมู่คณะเบื้องหลังทั้งสิน้นร่างนั้น เดอลุยหิมะนำหน้าไปด้วยฝีเท้าอันสม่ำเสมอราวกับว่าใครจะเป็นจะตายอยู่เบื้องหลังก็ช่างจนทำให้ชัยันผู้กำลังทุกข์หนักอยู่ในขณะ น, นี้แทบจะตะโกนด่าสาบแช่งออกไปด้วยความขุ่นมัววาวุ่นใจเหลือที่จะกล่าวดารินวราริ์เองก็สุดที่จะทนความพิศวงข้องใจต่อความใจดำของชายคนที่หลอนรักต่อไปได้สั่งพี่ชายให้คอยเป็นพี่เลี้ยงดูแลสองผัวเมีย ที่กอดประคองกันเดินไปอย่างโซซัดโซซีนั้นไว้และโดยไม่บอกเหตุผลใดๆทั้งสิ้นหลอนออกวิ่งตัดหน้าขาบวนทั้งหมดเท่าที่กำลังจะมีอยู่ได้ในขณะนี้กัวตามหลังรระพินไปในทันทีอย่างใช้ความพยายามสุดขีดอีกประมาณ30สเมตรจะถึงร่างที่เดินนำดุม ด, มดุมอยู่นั้นหลอนตะโกนบอกให้เขาหยุดรอร่างนั้นเอี้ยวคอมอมเมื่อเห็นว่าใครกาลังวิ่งตามมาก็ไม่ได้หยุด เพียงแต่ชะลอฝีเท้าคอยเท่านั้นดารินวิ่งปัดซ้ายปัดขวาแทบจะหน้าขมำเข้ามาถึงอุ้งมือแข็งแรงก็ฉกมาคว้าแขนของหล่อนหิ้วประคองไว้ก่อนที่จะล้มลงไปบนพื้นอันจับหนาไปด้วยหิมะระหว่างที่หล่อนยังหอพูดอะไรไม่ออกก็เห็นดวงหน้านั้นยิ้มพร้อมกระบอกเรียบๆมาก่อนราวกะจะรู้ใจว่าคุณหญิงครับผมยอมรับ ว่าผมค่อนข้างจะเป็นคนใจดำหรือเลือดเย็นเอามากๆอย่างที่คุณหญิงเคยว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่สำคัญอะไรสักอย่างให้รู้ล่วงเพราะความใจอ่อนหรือขี้สงสารโดยไม่มีเหตุผลมันทำลายความสำเร็จมันสักนักต่อ น, นักแล้วตแตาตาเมย์มย์กำลังจะตายอะ่ะดารินร้องออกมากระหืดกระหอบไม่หรอกครับคุณหญิงเขาตอบเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นคงยิ้มอยู่ตามเดิม ใบหน้ากร้านกระด้าง น, นั้นจับเป็นฝอยไปด้วยหิมะและดูเหมือนหินที่ปราศจากความรู้สึกหิมะเริ่มจะหยุดพรมแล้วนะครับพวกเราทั้งหมดกำลังบ่ายหน้าลงที่ต่ำทุกขณะแค่ลงจากเนินเขานี่อีกลูกเดียวเราจะไม่ต้องเดินย่ำไปบนกองหิมะอย่างนี้อีกแล้วอากาศจะอบอุ่นขึ้นครับนี่รรบพินคุณไม่หันไปสนใจยายดีกับข้างหลังบ้างเลยเหรอไม่ยอมรับรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น เดินนํำอ้าวมาอย่างเดียวถ้าคุณเห็นสภาพของเมย์ในขณะนี้คุณจะรู้ว่าเขาแย่เต็มทีแล้วแล้วในฐานะที่คุณเป็นผู้นำํำจะไม่ยอมรับรู้หรือว่าช่วยตัดสินใจยังไงบ้างเชียวหรอและมีอะไรจะต้องให้ผมช่วยตัดสินใจมากไปกว่าความหมายสองในยะเท่านั้นคือจะให้เมทนเดินต่อไปอย่างนี้หรือว่าจะให้กินยาของบุญคําฝ่ายนายจ้างของผมทุกคน รวมทั้งเจ้าตัวเองย่อมจะตัดสินใจได้ดีกว่าผมซะอีกก็นั่นแหละฉันถึงได้บอกไงว่าคุณเป็นคนใจดําใจดําจริงๆดารินตะโกนลั่นใส่หน้าคุณนะ่ะท้อทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างให้อยู่ในความรับผิดชอบลําพังพวกเราเท่านั้นได้ปรีตัวออกไปซะหลายต่นหลายอย่างของคุณน่ะน่ารักน่านับถือแต่สิ่งเดียวเท่านั้นแหะที่นักเกลียดนักน่าชังที่สุดก็คือความใจหินอมหิดอ่ะ รู้เป่าใจหินสิครับดีมันหนักอมหิตก็ดีครับเพราะบางทีมันก็หมายถึงความเด็ดขาดไม่หล่อแหละเส้นทางสายนี้นะครับคุณหญิงทำไมพยายามทำใจให้หนักเหมือนหินหรือเฉียบขาดเด็ดเดี่ยวจนดูคล้ายเป็นอมหินป่านี้พวกเราพี่นาดกันไปนานแล้วไม่มาไกลจนถึงนี่หรอครับอตอนนี้คุณหญิงหรือใครจะดา่าผม่าเชนะิญอะด่าไม้สบาย แต่ถ้าผ่านพ้นเหตุการณ์นี้ไปแล้วทุกคนย่อมประหนักได้เองครับหน้าที่ของผมคือการนำทางหน้าที่ของคุณหญิงก็คือเป็นหมอประจำคณะและหน้าที่ของคนอื่นๆก็ล้วนมีกันอยู่แล้วทั้งสิน้นไม่ใช่พรานนำทางไปก้าว่ายในสิ่งอันไม่ใช่หน้าที่โดยตรงนะมันกระจายอยู่นะครับก็ทำไมถึงไม่ตัดสินกันเองหรื ว, ว่าจะทำยังไงกับเมดาริงคอแข็งมมริมฝีปากม สายตาที่หล่อนจ้องเขาเต็มไปได้วยประกายเมินหมางน้อยใจพูดอะไรไม่ออกเพราะมันเป็นคำพูดที่หล่อนเองก็เถียงไม่ได้พรานใหญ่เดินเงียบเงียบไปอึดใจนึกก็หันมามองนะ่ะเสียงกล่าวต่อไปของเขาอ่อนโยนลงเดือกระแสะเอาใจคุณหญิงครับก็ทำไมคุณหญิงหรือคุณชายยันและพวกเราทุกคนไม่ยากของบุญคำกําเมระถ้าเห็นว่าการหนักจริงๆน่ะ พวกเราต้องการให้เขากินยาแต่ตัวคขาเองสิไม่ยอมแล้วจะไปบังคับฝืนใจกันได้ยังไงนอกจากจะรอให้ตัวแข็งเดินไม่ไหวซะก่อนถึงจะต้องช่วยกันกรอกอะ่ะรับผินหัวเราะเบาๆอย่าหาว่าผมตำหนิอะไรคุณหญิงเลยนะครับคุณหญิงก็ตื่นเต้นตกใจเกินไปเชื่อสิครับว่าเมย์นะไม่เป็นไรห ร, รอกจะไม่มีใครรู้อาการของเขาดีไปกว่าตัวเขาเองนะครับ แม่น่าแข็งทั้งร่างกายและจิตใจผมกล้าพูดว่าแข็งกว่าคุณหญิงสีอกและอาจมีเขาเพียงคนเดียวเท่านั้นแหะครับที่ยังรู้เข้าใจถึงจิตใจของผมได้ในการที่ผมไม่ได้หยุดรอเลยหรือไม่ได้แสดงท่าพวกรบวนเป็นห่วงกับอาการย่ำแย่ของเขาก็ผมบอกเลยยังไงครับคุณหญิงว่าอีกสักครู่เราจะผ่านพ้นภูมิประเทศแบบนี้ไปได้และอาการของเขาจะดีขึ้นเป็นลําดับ แล้ ว, วันต่ อ, ตอไปถ้าผ่านพบเขาอีกอย่างเดียวกันนี้ความคุ้นเคยของสภาพร่างกายก็ย่อมจะมีมากขึ้นผมรู้มาล่วงหน้าแล้วว่าจะยังไงเสียเมยม์น่ะมายอมกิน ญ, ญารอกเพราะเขาต้องการลูกต้องการสามีคุณแน่ใจในสิ่งที่พูดนี่เหรอรัพพินหลันจ้องหน้าเขาอยู่เช่นนั้นเราก็จะพิสูจน้ำใจความรู้สึกนึกคิดของเมย์ได้ชัดในครั้งนี้ว่าเขาเป็นคนยังไง และสำหรับตัวคุณเองคุณแน่ใจเหรอว่าจะไม่แสดงอาการใจร้ายกัเมในการแกล้งทำเป็นนิ่งเฉยเพื่อจะรอดูผลพิสูจน์ของคุณเองแบบนี้เมเป็นอะไรไปคุณไม่สนใจใช่ไหมเพราะถึงยังไงเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรกับคุณแทนที่จะโกรธหรือมีท่าทีว่าขัดหูจากประโยคอันรุนแรงนั้นระพินส่งดวงตาเป็นประกายแจ่มใสชื่นชมมายังไม่ดอกฟ้าของเขาคุณหญิงครับ รู้ตัวบ้างไหมความน่ารักและน่าคารวายกย่องของคุณหญิงมันอยู่ที่น้ำใจอันแสนดีรักคนโน้นห่วงคนนี้อย่างบริสุทธิ์ใจอยู่ตลอดเวลานั่นแหละเป็นคุณลักษณะของมารดาผู้ประเสริฐแห่งโลกในเวลาปกติก็ดูเหมือนกับว่าคุณหญิงจะหมั่นไส้ชิงชังเมยะเต็มบรดาแต่แท้ที่จริงจิตใจแท้จริงของคุณหญิงเต็มไปได้วยความรักความผวงใยเมตตาปราณีเปี่ยมล้น ถูกแล้วครับเมย์นะ่าไม่ได้เกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์อะไรทางส่วนตัวกับผมหรอกแต่ก็เกี่ยวข้องในฐานะผู้ร่วมคณะคนหนึ่งซึ่งถึงยังไงผมก็จะนิ่งดูได้ไม่ได้แน่นอนนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรกับเขาเพียงแต่ผมพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์ที่เขาเผชิญอยู่นี่มันยังไม่หนักหนาเกินไปนัะอย่าว่าแต่เมเลยต้อยคุณหญิงเองแท้ๆจําได้ไหมครับเมื่อวานเนี่ย สถานการณ์ของคุณหญิงนั้นหนักซะยิ่งกว่าเมขนาดนี้ซะอีกผมก็ยังพยายามที่จะให้คุณหญิงเดินต่อไปโดยแกล้งทำเป็นไม่รู้ถึงภาวะเจ็บปวดทรมานของคุณหญิงซะโดยคิดว่าบางทีความมานะของคุณหญิงอาจชนะอาการที่เกิดขึ้นก็ได้แต่และในที่สุดคุณหญิงก็ทนทานมันไม่ได้เพราะอาการมันหนักเหลือทนเขาเว้นระยะไปนิดหนึ่งจ้องตาประสานอยู่เช่นนั้นแล้วพูดขึงขังมาว่า สำหรับกรณีนี้ลองบอกสิครับคุณหญิงใจนายระพินปฏิบัติยังไงจะให้เดินไปกอดประคองเมแทนคุณชัยยาอย่างนั้นเหรอผมทำได้นะถ้าทุกคนต้องการอย่างนั้นน่ะดาริงยิ้มออกมาจิตจืหล่อนยอมรับว่าจำนวนต่อถ้อยคำของเขาอีกครั้งไม่น่าจะมาย้อนประชดกันแบบนี้เลยนะระพินฉันรู้ตัวดีว่าทุกครั้งไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันวุ่นวาย แสดงอาการเดือดร้อนออกหน้ากว่าทุกคนทาให้คุณน่าต้องหัวเราะเยาะชันอยู่ในใจเสมอแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะถ้าคุณไปกอดประคองเมแทนชยันในขณะนี้นะ่ะเอะ อ, อาจจะเป็นกําลังใจเขาผ่านพ้นวิกฤตการณ์คราวนี้ไปได้ไม่เกิดอะไรขึ้นก็ได้ก็เพราะคุณเป็นความอบอุน่นเชื่อมัน่นแทบจะเรียกได้ว่าสรระของพวกเราทุกคนในการเดินทางครั้งนี้สําหรับฉันน่าไม่กัดขอ้อหงงหวงอะไรหรอก แต่สามีของเขาสิจะยินยอมให้คุณไปกอดเมียเขาแทนหรือไม่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะระพินหัวเราะโหคุณหญิงก็ประชดผมเหมือนกันนะฉันพูดจากใจจริงนะเนี่ยฉันมีความรู้สึกเช่นนั้นจริงๆสังเกตมาหลายครั้งแนหะแม้กระทั่งพวกพรานพื้นเมืองอันเป็นผู้ชายอกสามศอกทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ต้องคอยเรียกหาพกพรานใหญ่อยู่ตลอดเวลาสินะ่ะคุณเป็นขวัญและกำลังใจของพวกเราทั้งหมด เปรียบเสมือนกับตันเรือลูกเรือเดือดร้อนประสบปัญหาอะไรขึ้นถ้าได้เห็นหน้าได้รับการปลอบโยนจากกัปตันกำลังใจก็ย่อมจะดีขึ้นเป็นธรรมดาฉันอยากจะให้คุณย้อนไปดูอาการของเมยสักนิดไปถามความรู้สึกของเขาดูบ้างหรือว่าถ้าจําเป็นจริงๆคุณเป็นคนสั่งให้เขากินยาก็จะดูศักดิ์สิทธิ์กว่าที่พวกเราคนใดคนหนึ่งจะขอร้องครัเขาจําได้ไหมก็คุณเองนั่นแหละเป็นคนขอร้องให้เขาเห็นกับลูกในท้อง และให้เก็บไว้เขาก็เชื่อคุณทั้งๆ ท, ที่พวกเราทั้งหมดช่วยกันขอร้องแต่เขาไม่เคยฟังเสียงเลยครั้งนี้ก็ควรจะเป็นคําสั่งของคุณอีกในกรณีที่ถ้าคุณพิจารณาเห็นแล้วว่าเขาจะต้องกินยาขนาดนี้เพื่อช่วยตัวเองให้รอดอเพื่อเอาใจคุณหญิงนะครับผมจะทําตามที่บอกก็ได้แต่มันไม่มีประโยชน์อะไรขึ้นมารอกนอกจากเสียเวลาแล้วเขาก็ยื่นหน้าเข้าไปกระซิบว่า ยอดมาหายุ่งคนสวยแต่ก็น่ารักเสมอนะจบประโยคร์ระพินภัยวันหมุนตัวกลับออกเดินย้อนสวนทางตรงไปยังกลุ่มทั้งหมดที่เดินตามหลังช้าๆมาเป็นขบวนโดยไม่สนใจว่าแม่ดอกฟ้าดารินของเขาจะเดินย้อนตามมาด้วยหรือไม่ชั่วไม่กี่อึดใจเขาก็สวนกลับขบวนทั้งหมดสาวเท้าเข้าไปยังมาเรียผู้เดินเอาศีรษะพิงกไหลของชายันไปอย่างอิบัตอิโรย หน้าซีดจนเขียวช้ยันใจชื้นขึ้นเล็กน้อยที่เห็นพรานใหญ่ปรีตรงเข้ามาแต่ก็ยังไม่อาจปริปากพูดคำใดได้ในขณะนั้นระพินเข้ามาถึงก็ขนาบข้างมาเรียอีกด้านหนึง่งเอื้อมมือไปจับที่แขนของแหม่มสาวสัมผัสของเขาทำให้รอนค่อยๆเปิดเปลือกตาขึ้นเป็นยังไงบ้างเขาถามไม่เจาะจงแน่นอนว่าจะถามเจ้าตัวเองหรือสามีที่เดินประคองกันอยู่ในขณะนี้ ฉันยังไปได้เป็นปกติไพวันมาเรียตอบอย่างยากเย็นแผ่วเบาแทบไม่มีเสียงขอบใจมากผู้กองที่ย้อนกลับมาดูชา ย, ยันพูดเด็กๆมองดูเขาด้วยสายตาขุนเคืองจอมพรานยิ้มให้เขาเข้าใจความรู้สึกยามนี้ของชา ย, ยันดีแล้วทำไมคุณชา ย, ยันไม่ให้เมกินยาของบุญคำจะได้ไม่ต้องทรมานหนักอย่างนี้ทั้งสองพูดกันเป็นภาษาไทย เดียไม่ต้องการให้มาเรียนรู้เรื่องชยันถอนใจเฮือกสีหน้ากลัดกลุ่มเต็มทีผมบอกเขาแล้วแต่ก็ไม่ยอมกินกให้ผมช่วยพูดไหมมาเรียนลืมตาสว่างโพลงขึ้นในทันทีนั้นแดนหล่นสมุดมองหน้าทั้งสองคนอย่างฉุนเฉียวนี่เห็นฉันกำลังจะตายเหรอทั้งสองคนยึงพูดกันไม่ให้ฉันรู้เรื่องอย่างนี้ รักระพินบอกกับผมว่าคุณจะต้องกินยาเพื่อความปลอดภัยนะชยันกระสิบบอกปอบโยนมาริหันขวับไปทางพรานใหญ่ขม่นมองตาเขียวไทยวันคุณขอร้องให้ฉันเก็บลูกไว้ได้นะแต่คุณจะไม่มีทางทำให้ฉันต้องเสียลูกไปเป็นอันขาดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออบ ปล่อยฉันขาดใจตายไปต่อหน้าเดี๋ยวนี้สิรพินก้มหัวลงนิดนึงผมรู้เมผมรู้ว่าคุณจะไม่เป็นอะไรมากนักหรอกเพราะถึงยังไงคุณจะต้องผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้ลงจากเขาลูกนี้ไปก็จะถึงทุ่งหญ้าแล้วที่นั่นน่ะไม่มีหิมะอาการของคุณจะดีขึ้นมาเรียพยักหน้าฝืนยิม้มใช่ฉันจะพยายามผ่านพ้นมันไปให้ได้ คุณไม่ต้องห่วงหรอกไปนําทางอยู่ข้างหน้าตามเดิมเถอะทำเวลาครับถ้าคนมัวแต่คอยพวงกังวลอยู่อย่างนี้พวกเราทั้งหมดจะพลอยเดินช้าลงพรานใหญ่ยิ้มให้เขารู้ดีว่ากําลังใจของมารียดีกว่าชา ย, ยันมากนะักไม่กล่าวอะไรกับคนทั้งคู่อีกแต่หันไปอธิบายถึงภูมิประเทศให้เชิดทาผู้เดินเคร่งครึมเงีย บ, เ ง, ยบเงียบอยู่เบื้องหลังทราบ แล้วเร่งฝีเท้าล่วงหน้าไปอีกดารินไม่ได้ย้อนกลับลงมาที่พักพวกทั้งหมดระหว่างที่รพินเดินตรงเข้าไปที่คณะตามคําขอร้องของหล่อนราชสกุลสาวคงหยุดยืนหันมามองจากที่เดิมเมื่อรพินก้าวเข้ามาถึงหล่อนก็ถามเป็นไงได้ความว่ายังไงมั่งก็อย่างที่ผมบอกคุณหญิงไว้นั่นแหละไม่น่ะมีอาการเหมือนอย่างอยากจะฆ่าผมยังนัะ เมื่อรู้สึกว่าผมจะเป็นตัวการบังคับให้เขากินยาของบุญคําความจริงผมก็ไม่ได้สั่งให้เขาต้องกินยาหรอกแต่คุณชายยันนะอ้างชื่อผมเพื่อหวังจะช่วยเมียสามนีนะ่ะดูจะทุกข์หนักทรมานกว่าตัวพัญญาเองซะอีกเพราะความรักความเป็นห่วงเมียเองดีกลับไล่ผมแม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับเขาบอกให้มาทําหน้าที่นําทางตามเดิมอะก็เป็นนั้นว่าผมได้ปฏิบัติตามคําสั่งของคุณหญิงแล้วหวังว่าคงจะสบายใจทุกทีนะ แล้กจะไม่กล่าวหาว่านายรพินใจไม้ไส้ระกำอีกต่อไปและพี่ใหญ่ะเขาว่าไงบ้างอย่ห่วงนะครับคุณหญิงคนคนนั้นในใจหนักกว่าผมซะอีกไม่วุ่นวายเหมือนน้องสาวหรอกนี่ในชีวิตผมนะผมยังไม่เคยพบใครที่อยู่ในฐานะผู้บังคับบัญชาที่มีท่าทีหน้าเคารพน่าเกรงกลัวเท่ากับคนคนนี้ยิ่งกลัวหนักเข้าไปอีกเพราะรู้ตัวว่าตัวเองน่ะผิด อาจเอื่อ่ไปรักน้องสาวของท่านเขาเสียด้วยท่านก็คงรู้แต่คงยังทําเป็นเฉยอยู่เท่านั้นดาลินหัวเราะเบาๆออกมาได้รีบสาวเท้าเดินให้ทันเขาดิเกรงนิดว่าบ้างก็ดีแต่ขอบอกให้รู้นะพี่ชายของฉันคนนี้อ่ะใจดีนะแล้วก็ตามใจน้องสาวทุกอย่างก็งไม่แน่นักหรอกครับอาจจะไม่ทุกอย่างไปก็ได้อย่างน้อยก็ในเรื่องการเลือกครู เป็นผมผมก็ไม่ยอมให้น้องสาวมารักกับพรานป่าผู้ปราศจากหัวนอนปลายเท้าฐานะชาติสกุลก็ผิดกันอย่างกับฟากันดินเสียเกียรติภูมิของเชื้อพระวงศ์หมดว่าแต่ตัวคุณหญิงเองเถอะวันนี้ดูแข็งแรงดีเหลือเกินนะครับนอนเป็นง่อยอยู่เมื่อคืนที่แล้วนี่เองวันนี้เดินไหวแน่น่ะแน่ไม่แน่ก็เดินอยู่นี่ไงเหตุการณ์มันช่างผันแปร ก, กลับตาลปัดเกินขาดคิดเหลือเกิน คนที่น่าเป็นห่วงที่สุดสําหรับวันนี้กลายเป็นเมย์ไปซะแล้วก็ดีเหมือนกันมันเป็นจิตวิทยาชนิดหนึง่งช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่ฉันเมื่อรู้สึกว่ามีคนอื่นก็อ่อนแอกว่าเราเราก็ต้องเข้มแข็งเข้าไว้ถ้าจะพูดกันตามจริงแล้วฉันเอก็ยังไม่แข็งแรงดีนัะครับสำหรับคุณก็อย่ามาอุตริกเกิดอาการจับสันขึ้นบนภูเขาน้ําแข็งแบบนี้ละ่ะถึงตายทีเดียวนะก็ไม่หรอกครับคุณหญิง ดาบใดก็ตามที่ริษยาของบุญคําสําแดงเดชอยู่อย่างนี้แต่นี่ถ้าไม่ได้ยาของบุญคําดีไม่ดีนะผมอาจตายก่อนใครก็ได้เพราะมีโรคเรื้อรังประจําตัวอยู่ก่อนแล้วอ้าวอ้าวอาว้าคุยกันอยู่ดีๆอ่ะแล้วนั่นจะเร่งเดินไปตามควายหายเลยเหรอรอรอจนเมื่อไหสิพระคุณหมดเวลาคุยแล้วครับเวลาเดินนะผมไม่ชอบคุยครับแล้วก็เวลาคุยผมก็ไม่ชอบเดินด้วย คุณหญิงลงไปรวมกลุ่มอยู่กับพวกเราตามเดิมเถอะอย่าหาว่าผมทิ้งเลยนะครับหรือถ้าไม่งั้นเก่งจริงก็วิ่งตามไม่ทันแล้วกันดารินเกลฟัตเกลฟิยตรองวะโกรธละไม่รอด้วยครับตอนเดินจะโกรธกันก็ไม่เป็นไรครับค่อยไปดีกันตอนพักแล้วกันนะครับก้าวสั้นๆจากกำลัง น, น้อยๆของมอมราชวงศ์หญิงดารินวราฤทธิ์นั่นะ จะทันคนที่เกิดมาเพื่อจะเดินป่าตลอดชีวิตทิ้งประโยคสุดท้ายให้คนฟังทั้งโมโหทั้งน้อยใจไว้แค่นั้นแล้วชั่วไม่กี่อึดใจร่างนั้นก็ทิ้งห่างออกไปราวกับกระต่ายที่เดินแซงตัดหน้าเตา่าจนกระทั่งในที่สุดหญิงสาวก็จำเป็นต้องลงไปรวมหมู่อยู่กับคณะของตนตามเดิมทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามที่พรนใหญ่พูดไว้ทุกอย่าง พระชั่วไม่นานนักคณะทั้งหมดก็เดินลงมาสู่ที่ราบลุ่มอันเป็นทุ่งหญ้าเขียวชอุ่มปราศจากคิมะปกคลุมอากาศเริ่มจะอบอุ่นขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสเก็ตน้ำแข็งที่คลุมพื้นและโ ป, ปรยปลิวกระนำซ้ำลงมาจากเบื้องบนจากบริเวณที่ผ่านกันมาแล้วบนยอดเขาสูงทัศนวิสัยกระจ่างชัดสามารถมองเห็นท้องฟ้าปโปร่งใสเหมือนแก้วขุ้นเขาที่รายล้อมอยู่รอบด้าน ลเลห็นพื้นหินสีเทาสลับไปกับปุยขาวของหิมะที่คลุมอยู่เป็นหย่อมๆแลดูสวยงามยิ่งสลับไปกับป่าสนที่ขึ้นเรียงรายเป็นทิวอยู่ตามขอบเนินทั่วไปมาริอาฮอฟมันผ่านพ้นวิกฤตการมาได้ราวกับปาฏิหาริอาการของหล่อนเริ่มจะดีขึ้นเป็นลำดับในระหว่างเส้นทางเทลาดประมาณ45องศาของภูเขาลูกสุดท้ายก่อนจะลงมาบรรจบกับพื้นราบ ราวกับสนามกอล์ฟยักษ์เบื้องหลังระพินไพรวันเลือกยิงกวางขนาดใหญ่ขนปุกปุยอุดมไปด้วยไขยมันไว้ตัวหนึ่งลักษณะจะเป็นหัวหน้าฝูงประมาณ20กว่าตัวที่ยืนเล็มหญ้าอยู่ริมลำธารเล็กๆที่ไหลผ่านมาตามไหลเนืนเจ้าสัตว์เคราะห์ร้ายไม่ได้มีความเปรียวหรือว่าแตกตื่นในการปรากฏตัวของมนุษย์ทั้ง12ชีวิตเลยพระช่วยชีวิตที่หากินอย่างปกติสุขตามสภาพของมัน ไม่เคยถูกรบกวนมาก่อนมันยืนเป็นเป้ากระสุนอย่างดีที่สุดใายหลังจากที่ตัวใหญ่สุดล้มลงฝูงของมันจึงแตกกระจายวิ่งหายไปในป่าสนชีวิตจำเป็นต้องพึ่งอาหารทุกคนย่อมจะเข้าใจดีทั้งคณะไม่มีใครคิดที่จะเบียดเบียนรังแกสัตว์โดยไม่จำเป็นนอกจากความหมายเพื่อประทังชีพหรือป้องกันชีวิตเท่านั้นขณะนั้นมันเป็นเวลาประมาณ15นาทีก่อนเที่ยงวัน ทุกคนพักชั่วคราวอยู่บนเนินเล็กๆใกล้ลำธาร น, นั้นอบอุ่นด้วยไฟจากไม้สนและเนื้อย่างอันส่งกลิ่นหอมหวนณนะที่นี้มาเรียกลับฟื้นคืนคงมามีสภาพอันแข็งแรงเหมือนเดิมแล้วด้วยความยินดีโล่งอกของหมู่คณะระหว่างที่ทุกคนอิ่มหนำและนั่งเหยียดเท้าพักผ่อนกันอยู่บนพื้นหญ้าอันอ่อนนุ่ม พลัใหญ่มีภารกิจอันไม่ยอมหยุดนิ่งตามเคยโดยวิสัยทุกคนเห็นเขาแล่เนื้อกวางที่ย่างสุกออกมาจากกองไฟได้ก้อนหนึ่งก็ควาไรเฟิลสะพายไหลเดินแทะเนื้อก้อนนั้นไตขึ้นไปบนยอดเนินซึ่งมองเห็นอยู่ทางด้านเหนือชายันถือโอกาสนั้นออกแล่นตามไปด้วยไปทันกันบนไหลตะพักตอนหนึ่งเพราะอีกฝ่ายหยุดรออ่ะไม่พักซะก่อนเครับแล้วเดี๋ยวอีสักชั่วโมงเราจะเดินต่อน เขาหันมาถามยิ้มยิ้มชา ย, ยันหัวรเราะเจินเจือนสันสีสักเดินเข้ามาชิดตัวและจับแขนไว้ผู้กองผมมีเรื่องอยากจะพูดกับคุณอดีตนายทหารปืนใหญ่เอ่ยตะกุกตะกักสีหน้าไม่สู้สบายใจนะักครับเชิญครับมีอะไรเหรอครับเอ อ, เ อ, อผู้กองผมต้องขอโทษคุณเป็นอย่างมากนะจอมพรานเลิกคิวแล้วหัวเราะ คุณชัยันครับผมยังไม่ทราบเลยนะครับว่าผมมีอะไรที่คุณชัยันจะต้องขอโทษอกอเกี่ยวกับเม้นั่นแหละผู้กองขอสารภาพตามตรงนะระหว่างที่เดินผ่านมาบนหิมะนะ่ะผมน่ะคิดศสา์แช่งด่าคุณอยู่ตลอดเวลาผมมีความรู้สึกว่าเมกําลังจะตายแต่คุณไม่สนใจใยดีเลยแต่แล้วในที่สุดคุณก็นําพวกเราทั้งหมดผ่านพ้นวิกฤตการนี้มาได้จากความหนักแน่นมั่นคง และคาดการอะไรได้อย่างถูกต้องของคุณจริงอยู่ถึงแม้ผมจะไม่ได้พูดออกไม้คุณได้ยินแต่ในด้านความคิดอคติของผมผมก็รู้สึกว่ามันเป็นบาปยังไงบอกไม่ถูกถ้าผมไม่มาพูด ก, กับคุณซะและขอให้คุณอภัยให้กับผมด้วยในความใจเสาะไม่เข้าเรื่องจอมพรานหัวเราะกว้างๆมองดูชา ย, ยันอย่างรักสนิทและไม่ถือสาอะไรทั้งสิ้นเอื้อมมือมาจับฝ่ามือนั้นบีบแน่นคุณชา ย, ยันครับ ผมน่ะไม่เคยมีความรู้สึกอย่างใดทั้งสิ้นแหละครับถึงแม้ว่าคุณชยันจะคิดพูดหรือกระทำอะไรก็ตามโดยเนื่องมาจากความเข้าใจผิดเพราะรู้ดีอยู่ว่าในที่สุดคุณชัยันก็จะเข้าใจอะไรได้เองครับชัยยันโครงหัวอย่างตำหนิตัวเองเมริอีกดูเหมือนจะเข้าใจคุณได้มากกว่าผมเขากลับเป็นฝ่ายปลอบใจผมอยู่ตลอดเวลานะขณะที่เราเดินมาด้วยกันน่ะ ตอนนั้นนะ่ะผมกระสับกระสายมากต้องการจะเขากินยาให้ได้แล้วก็อยากจะได้รับความช่วยเหลือจากพวกเราทุกคนให้มากกว่านั้นมองออกไปข้างหน้าก็เห็นถ้าคุณเดินจำเอาจำเอาไม่เหลียวมาดูบ้างเลยอีกผมนะ่ะคิดด่าคุณสาดเสียเทเสียยังไม่เคยนึกจะด่ามาก่อนอะในสารภาพความจริงกับคุณอย่างนี้แล้วก็วรู้สึกสบายใจขึ้นถ้าเมือคุณเป็นคนใจส่ะเหมือนอย่างผมป่านนี้ก็คงต้องกินยาของบุญคําแท้งลูกไปแล้ว แล้วคุณชั ย, ยันล่ะครับเดี๋ยวนี้อ่านใจเมย์ออกตลอดได้ยังเขาถามยิ้มยิ้มไม่สนใจกับเรื่องที่ชั ย, ยันพยายามจะพูดอดีนตนายทหารปืนใหญ่กัดริมฝีปากแน่นอย่างตื่นตันใจหันกลับลงไปยังกลุ่มของพรรคพวกที่นั่งกินอยู่ริมลำธารเบื้องล่างแม่ขวัญใจของเขาบัดนี้กำลังแหงนมองขึ้นมา มไม่มีความคิดตะคิดตะขวงใจใดๆที่จะรับผู้หญิงคนนี้เป็นเมียผมตลอดไปอีกแล้วละครับเพราะเขาเป็นคนจริงคนหนึ่งจริงยังไม่น่าเชื่อขอบคุณต่อเหตุการณ์ที่มันพิสูจน์ให้ผมได้เห็นใจเมียแล้วขอบคุณพรานใหญ่ระพินผู้ช่วยให้ผมพิสูจน์ถึงความจริงข้อนี้ออกมาได้อย่างเด่นชัดความจริงผมก็นับถือคุณมาตลอดเวลาแล้วนะแต่วันนี้ทําไมถึงได้คิดคว้ยเขวไปก็ไม่ทราบสิมันอาจจะเป็นเพราะความเห็นแก่ตัวก็ได้ เรื่องเล็กครับคุณชัยยันหรือไมเอ่เถอะผมเองก็ขอคาระวะต่อคุณชัยยันที่เป็นลูกผู้ชายพอที่จะบอกถึงความเข้าใจผิดที่มีต่อผมแม้จะเป็นในด้านความคิดภายในก็ตามอ่ะและนี่คุณกําลังจะไปไหนเนี่ยทําไมไม่นั่งคุยกับพวกเราในระหว่างพักนี้ก่อนขณะที่เดินทางก็ไม่มีเวลาจะค่อยได้พูดได้จาอะไรกันอยู่แล้วนี่ผม่จะขึ้นไปบนยอดเนินที่เห็นอยู่นั่นหน่อยครับคุณชัยยัน แล้วคุณจะตามผมไปด้วยก็ได้นะถ้าคุณคิดว่าคุณยังไหวอ่ะโทผมนะไหวเสมอแต่บอกหน่อยได้ไหมมีอะไรที่ทำให้คุณอยากจะขึ้นไปบนนั้นเช้านีวนี้บอกก็ได้ครับผมมีความรู้สึกว่าเนินพระจันทร์จะอยู่ห่างจากเราในขณะ น, นี้รัศมีไม่เกินสองกิโลเมตรนี่เองครับใช่ยันต์ลน